สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดขาดอากาศนะไม่มีอากาศหายใจมันก็อยู่ไม่ได้นะแต่แม้ว่าจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอากาศหายใจแล้วก็มีอะไรต่ออะไรมากมายทั้งความรู้ทั้งเงินทองทั้งครอบครัวที่อบอุ่น แต่ถ้าขาดสติเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้ยากนะชีวิตมันก็สามารถที่จะพัฒถลัานะหรือว่าตกต่ำย่ำแย่หรือบางครั้งก็เอาตัวไม่รอดยิ่งอยู่นะบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ทำอะไรต่ออะไรได้โดยที่ขาดสติหรือว่าไม่มีสติตอนนั้นแต่มันก็ขาดสติได้ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะถ้าหาว่าขาดไปเดียเด๋ยวๆไม่นานเนี่ยมันก็ยังทำอะไรได้ตามปกติเหมือนกับว่าชีวิตยังเดิมเดินไปได้ตามปกตินะ เช่เวลาเราเดินมาที่ศาลาหอตไตรเดินไปศาลานอกหรือเดินมิถบาดหรือแม้งเวลาขับรถเนี่ยมันก็ทั้งที่บางช่วงบางขณะเราขาดสตินะอาจจะใจลอยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่เนื่องจากมันเป็นการขาดสตนะิช่วงสั้นๆนะ เราก็สามารถที่จะเดินไปถึงจุดหมายได้ไม่ว่าจะเดินเท้าหรือว่านั่งรถขับรถไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่ถ้าเกิดว่าในบางขณะเนี่ยหรือในบางจังหวะนี่หาสติขึ้นมานี่ไอ้สิ่งที่เคยเป็นเรื่องปกติธรรมดาวันแล้ววันเล่านี่มันอาจจะกลายเป็น เรื่องร้ายก็ได้นะนเช่นกินข้าวอยู่แล้วก็เกิดข้าวติดคอขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะกำลังใจลอยนึกโน่นึกนี่ไม่ได้กินข้าวอย่างมีสติรู้ตัวเหนื่อยกำลังกลังพูดคุยกับใครเพลินหัวเราะแล้ดูโทรทัศน์นะ มันมีบางฉากบางตอนที่มันน่าตื่นเต้นขาสติข้าวติดคอขนมติดคอนโอนี่มันก็บางทีถึงตายได้นะหรือว่ากลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราไปเลยมีชีวิตก็เหมือนกับไม่มีชีวิตหรือเดินขึ้นลงบันไดยนยก็เดินขึ้นลงปกติและบางครั้ง หรือบ่อยครั้งเดืดใจลอยมันก็เดินขึ้นเดินลงได้แต่บางวานันนี่ด้วยความขาดสติมันก็เผลอพระตกบันไดหรือว่าเข้าห้องน้ำแล้วเผลอขาดสติขึ้นมาลื่นถไลไม้หัวกระแทกพื้นก็ลกร้า ทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะเคยเดินข้าองน้ําอย่างไม่มีสติแต่มันก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าชั่วปู๊บชั่วขณะแล้วก็บังเอิญพื้นมันไม่ลื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนขาดสติแล้วพื้นเกิดลื่นขึ้นมาหรือว่าผลผันธก้าวเดินด้วยความเร่งรีบ ส่งตัวไม่ดีก็ เ, เกิดอุบติเหตุนี้ขนาดในยาปกตินะพอขาดสติก็อาจจะเกิดปัญหาได้ยังไม่ต้องพูดถึงเวลาเกิดอันตรายหรือเกิดเหตุร้ายนะที่มันทำให้เกิดความตื่นตกใจทำให้เกิดความกลัวทำให้เกิดความโกรธ มันทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงเนี่ยถ้าขาดสติไปนานๆ น, า น, นี่ก็แย่เหมือนกันนะหรือว่าขาดสติในบางจังหวะที่มันหน้าสื่อหน้าขวานเนี่ยมันก็อีกถึงตายได้และในยามนั้นเนี่ยโดยเพราะเวลาที่เกิดเหตุร้ายเกิดอันตรายนี่ สตินี่มันจึงสําคัญมากบางครั้งเนี่ยพอเกิดร้ายขึ้นมาเกิดอันตรายขึ้นมาเกิดความกลัวตกใจแล้วก็ผุนผันทำในสิ่งที่ไม่ทันยั้งคิดอันตรายก็เกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดมีสติขึ้นมานะนัะ่มันก็ช่วยได้นะหลายคนพบว่าเนี่ยสติมันมาช่วยในยามที่เกิดเหตุร้ายแล้วก็มันคล้ายๆก่ามีเสียงเตือนนะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเช่นบางคนเล่าว่าเนี่ยกำลังชมคอนเสิร์ตอยู่เนี่ย เกิดไฟไหม้ขึ้นมาในห้องประชุมคนก็แตกตื่น น, นี้กันเขาเองเนี่ยกลัวตกใจนะแต่ว่ามันก็เกิดมีเกิดได้สติขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วก็มีเราลึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยมีคนเคยบอกว่าเนี่ย เวลาเกิดไฟไหม้แบบนี้นะั้นให้อยู่นิ่งๆเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งเฮโลวิ่งตามใครไปเขาพอได้สติบแบบนี้เขาเขาก็อยู่นิ่งเลยนะกลัวก็กลัวนะแต่ว่ามันหักห้ามความกลัวนะเพราะเราลึกได้ถึงคำแนะนำะคนก็คนที่กลัวก็วิ่งกรูนหาทางออกเหยียบกัน คนที่ตายเพราะว่าถูกเหยียบเพราะว่าแตกคือได้ความตื่นตกใจนี่เยอะนะแต่คนที่ตั้งสติได้นะหรือว่าเลยลึกได้ว่าเนี่ยในยานนี้อะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําก็ก็สามารถจะอยู่รอดได้ดรงที่ไฟไหม้ในตึกเนี่ยว่าคนแตกตื่นวิ่งกลัวปัญหาทางออก ก็เกิดเลือขึ้นมาได้ว่าน้นลึกถึงคำแนะนำนะของผู้รู้ว่าเนี่ยอย่าเพิ่งวิ่งตามไปให้รอสักพักก่อนถ้าคนที่วิ่งเหินๆกันไปเขาไม่กลับมาแสดงว่าเขาเจอทางออกแล้วอ่ะเราก็ค่อยวิ่งไปทางนั้นก็นี่การอยู่นิ่งๆมันช่วยงไงน ะ, อะพอคนแตกคือ วิ่งไปแล้วไม่เจอทางออก ก, ก็จะวิ่งกลับมาถ้าว่าเราวิ่งตามเข้าไปบางทีพอฝูงชนมันเปลี่ยนทิศหันกลับมาวิ่งตรงต้องกลับมาวิ่งไปทางตรงข้ามนี่คนอยู่ข้างหลังก็โดนเหยียบนะแต่ว่าถ้าได้สติเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยมักทำให้รอดตายได้เพราะว่าไม่โดนคนเหยียบ สติเนี่ยมันหลายคนเี่มันช่วยเราเอาไว้ได้เนี่ยเพราะว่ามันทําให้ระลึกได้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำในในชีพจริงในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าสติมันทํางานแบบนี้แหละนะมันทําให้เราเระลึกได้ถึงคําสอนครูบาอาจารย์ของผู้รู้ว่าเนี่ยอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา เช่นระหว่างที่โกรธเนี่ยโกรธอย่างรุนแรงสติก็มาบอกว่าเนี่ยขณะที่โกรธเนี่ยให้อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งพูดอะไรเพราะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันมีแต่เสียหายเพราะ้สติอันนี้มันก็ทำให้ยับยั้งชั่งใจไม่ทำตามหน้าของความโกรธเนี่ย ก็ทำให้ไม่เกิดความเสียหายตามมาหรือสติอาจารทํทำให้เราลึกถึงคำสั่งครูบาอาจารย์ที่ท่านว่าเนี่ยโกรธคืองโง่โมโหคือบา้าพอเรารึกได้ชั้นนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความอดกลั้นยับยั้งชั่งใจขึ้นมาหรือพยายามหักห้ามความโกรธเอาไว้เพราะได้คิดว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรา กําลังจะบ้าไปแล้วนยะอย่าให้มันมาครองใจเราหรือในยามที่เศร้าโศกพสูญเสียคนรักหรือว่าสูญเสียของรักเนี่ยนะมีบางช่วงที่มันสติมันทําให้เราลึกถึงคําสอนของผู้รู้ว่าเวลาเศร้าเนี่ยอย่ามวัวแต่นั่งเจ้าจุก ต้องหาอะไรทำต้องขยับนะต้องพยายามกลับมาใช้ชีติตามปกติให้ได้ก็ทำให้ไม่ยอมปล่อยใจไปตามความเศร้าซึ่งมันมีแต่จะฉุดจิตให้มันถลําลงไปในความทุกขนะ์ก็ขยับเนื้อขยับตัวขึ้นมาคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่าน เพศร้ยมาได้หรือว่าที่ไม่เผลอไปทําตามอารมณ์นี่เป็นอกนุศลเช่นความกลัวความโกรธความเศร้าหรือตันหาราคะเนี่ยนะเพราะว่าสติมันทําให้ระลึกได้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําทําให้ระลึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์หรือของพระ เ, เจ้าที่ทําให้หักห้ามใจยับยั้งชั่งใจ การที่จะมีสติระลึกได้แบบเนี้ยในยามที่เกิดเหตุร้ายหรือเกิ อ, อันตรายเนี่ยให้การจะระลึกได้ถึงคําสอนครูบาอาจารย์ที่ทําให้รู้ว่าอะไรไม่ควรทําและไม่ควรทําเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆได้ยินบ่อยๆนะเพราะว่า ถ้าไม่ได้ยินบ่อยๆไม่ได้ฟังบ่อยๆเนี่ยอาการที่มันจะระลึกได้ไหวหรือจะลึกระลึกได้ในยามที่เกิดเหตุร้ายเนี่ยมันยากนะมันึกไม่ออกมันต้องเกิดจากการฟังบ่อยๆได้ยินบ่อยๆมันทําให้เกิดการจําได้และพอถึงช่วงหน้าสื่อหน้าควาหรือช่วงที่มันเกิด เหตุการณ์ที่ร้ายแรงมันก็นึกขึ้นมาได้ฟังครัง้งสองครัง้งอาจจะไม่ช่วยได้ยินครัง้งสองครัง้งอาจจะไม่ช่วยเพราะว่าพออารมณ์มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าเนี่ยมันนึกไม่ออกนะแต่ว่าพอเราได้ยินบ่อยๆมันทำให้เรานึกขึ้นมาได้ อย่างคนที่บางคนขับรถอยู่เนี่ยเกิดยางแตกขึ้นมาเนี่ยสังฆตุยานี่มันก็จะต้องเหยียบเบรกทันทีเลยแต่ว่าก่อนที่จะทำแบงนั้นเนี่ยก็นึกได้ถึงคำสอนนะของเพื่อนหรือคำเตือนของเพื่อนที่เคยแนะนำว่าเนี่ยเกิดเหตุแบบนี้อย่าไปเหยียบเบรคนะรถคว่ำนะ พอรู้ขึ้นมาได้มันก็ไม่ทําอย่างนั้นนะเบรกเอาไว้ก่อนเบรกใจเบรกชงชงงักเท้ า, เาไว้ก่อนอันนี้พราสตนะิช่วยทําให้รอดตายแต่ว่าสติมันจะมาทํางานแบบนี้ได้มันก็เกิดจากการที่ได้นได้ฟังบ่อยๆทําให้เราลึกได้ถึงคําสอนหรือคําเตือนหรือคําชี้แนะ หรือทำให้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ว่าสติยังทำงานอีกแบบหนึ่งนะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเตือนให้เรารู้หรือเป็นเสียงเตือนให้เรารู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเพื่อที่จะสกัดดัดยั้งไม่ให้ทำตามหน้าของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นสติมันทำงานได้ดีกว่านั้นอีกนะ ก็คือทำให้เห็นทำให้เห็นความคิดหรือทำให้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เป็นเสียงเตือนให้เราลึกถึงคำสอนหรือคำบอกคำแนะนำของใครต่อใครที่ทำให้รู้ว่าควรจะทำอะไรหรือทำให้รู้จักยับยั้งชั่งใจมันไม่ใช่เป็นแค่เสียงเตือนมันเป็นเหมือนตาในเลยนะตาไหนที่ทำให้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้น ความโกรธความกลัวความเศร้าและการที่เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยโอ้มันมีพลังมากเลยนะเพราะมันสามารถที่จะทำให้จิตเนี่ยหลุดจากอารมณ์นั้นหรือทำให้รักษาใจไม่ให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำนะมันทําให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมา โดยที่เราไม่จาเป็นต้องไปหักห้ามกดข่มอารมณ์มันเป็นการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะในใจเวลานั้นอันนี้มันทำงานนะต่างจากสติในความหมายแรกนะสติในความหมายแรกเนี่ยอันเรา เจอเราได้ใช้อยู่ บ, บ่อยๆมันเป็นการระลึกได้ถึงคาพูดหรือมาทำให้ระลึกได้ถึงคำสอนนะซึ่งต้องอาศัยความจำนะที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ยินได้ฟัง บ, บ่อยๆแต่ว่าสติในความหมายที่สองเนี่ยนะหรือในกรณีที่สองเนี่ยนะมันเป็นเหมือนตาในเลย ที่มันทำให้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นอย่างที่เขาว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสตินะสติในความหมายแรกเนี่ยมันเป็นสติธรรมดาที่ทําให้ระลึกได้ถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในหัวสติมันทําให้ดึงเอาข้อมูลนั้นออกมาใช้งาน แต่ว่าสติที่เป็นสมาสติเนี่ยมันมันทำงานได้ไวกว่านั้นมันไม่ต้องอาศัยความคิดนะสติอันแรกนี่มันต้องอาศัยความคิดนะเตือนให้เราลึกได้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําก็เป็นเรื่องของความคิดเหมือนกันแต่ว่าสติในควาที่สองเนี่ยมันมนไม่ต้องอาศัยความคิดมันเห็นเลยนะมันเห็นอารมณ์และพอเห็นอารมณ์เนี่ยเห็นอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยถ้าเห็นอย่างต่อเนื่องเนี่ย มันก็ทำให้เกิดนะการหลุดการรอดจากอารมณ์นั้นมันทำให้ความทุกข์ไม่เข้าไปครอบงำนะเรียว่าเป็นเสมือนตาในในะที่คอยรักษาใจให้ห่างไกลจากความทุกข์ได้แต่ว่าสติอย่างนี้มันต้องฝึกนะนะเมื่อฝึกไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟัง บ, บ่อยฟัง บ, บ่อยแต่มันต้องปฏิบัติ บ, บ่อยปฏิบัติ บ, บ่อยหันมาสังเกตดูใจดู เห็นความคิดและอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆมันนอกสายการปฏิบัติเมื่อพอปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมันก็จะเห็นตัวอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นสภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเห็นความโกรธแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราโกรธนะเห็นความเศร้านะแต่ไม่ได้ไปยึดนะว่าความเศร้านั้นเป็นเรา มันแค่เห็นว่ามันมีอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่อยู่ต่างหาจากเราไม่ใช่เราพอเห็นอย่างนี้เนี่ยนะไออารมณ์พวกนี้มันก็เข้ามาทำอะไระจิตใจเราไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้เป็นผู้กรธวไม่ได้เป็นผู้กลัวไม่ได้เป็นผู้เศร้าแต่ว่าเห็นความโกรธความกลัวความเศร้าที่มันเกิดขึ้นในใจ นี่มันเป็นสภาวะหนึ่งนะที่มันแค่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปแต่ใหม่หมนะสหรับผู้ปฏิบัตินี่นะมันจะเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะคงยากนะคนที่อาจจะปฏิบัติน้อยเนี่ยหรือยังปฏิบัติไม่มากเนี่ยเวลา ม, มีความกลัวความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะรู้นะอาจจะรู้แต่รู้ประเดียวประดาวแต่ว่า มันไม่สามารถที่จะหลุดออกจากสภาวะนั้นได้เช่นรู้ว่าโกรธนะรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธนะแต่ความโกรธนี่มันเผาลนใจมากเลยมันสึกเป็นทุกข์มากเลยหรือว่ารู้ว่าเศร้านะแต่ว่ามันเป็นทุกข์มากความเศร้าหอเหี่ยวนะมันสึกสิ้นเรี่ยวสิ้นแรง รู้สึกว่า้เรามันไม่ใช่คนเดิมแล้วไม่ใช่คนเดิมแล้วบางทีมีความรู้สึกมันก็เป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนะบางคนอธิบายเหมือนกับมันก็องลงนะองเนี่ยองเนี่ยลงเวลาองลงเนี่ยนะมันกลายไปเป็นคนหนึ่งไปเลยมันไม่ใช่ว่าเห็นความโกรธ น, นะ เกความโกรธเนี่ยหลวงพ่อเขียนใช้คำว่าเจ้าเอจ้าเอกความโกรธจะเอกับความเศร้ามันเห็นต่อหน้า ต, ต่อตาเลยแต่ถ้าสติหรือสมาสติอ่อนนี่นะมันเหมือนกับว่าปล่อยให้มิจฉาชีพเข้ามาในบ้านแล้วก็ก่อความเสียหายเรียบร้อยแล้วระหว่างที่กำลังจะออกไปหรือรหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยจึงค่อยเห็นความเสียหายจึงค่อยรู้ว่าโอ้เรา เราแย่แล้วนะมารู้ทีหลังหรือรู้ขณะที่อารมณ์มันเกิดขึ้นแต่ว่าหักห้ามใจไม่อยู่มันเหมือนก็เป็นอง์ลงเนี่ยแต่ต่หลังพอมีประสบการณ์มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นนะนก็จะรู้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนก็บว่าในใจเราวนี่นะมันมีหลายตัวนะี่ที่เกิดขึ้นข้างใน มีตัวโกรธมีตัวเศร้ามีตัวเกลียดมีตัวอิจฉาแล้วมันก็เกิดการต่อสู้กันเกิดการต่อสู้กันกับอีกตัวนึงนะเรียกว่าตัวไฝ่ดีหรือตัวที่มีเหตุมีผลเนี่ยหลายคนจสูสกว่านในในใจเราเนี่ยมันมีการต่อสู้กันนะระหว่างตัวโกรธกับตัวไฝ่ดี ระหว่างตัวเกลียกับตัวไฟดีระหว่างตัวโลภกับตัวสันโดษเนี่ยแล้วแบบคนเจ้าสัวมันเหนื่อยมากเลยนะกับการที่จะต้องอไม่ยอมให้ตัวโกรธนะี่มันเข้ามาเล่นงานเอาชนะตัวไฟดีจะมองเห็นนะรู้สึกในใจเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะรู้ว่า ไอ้ตัวโกรธตัวเศร้านะตัวเกลียดเนี่ยที่ดูเหมือนว่าเป็นคนละตัวกันเนี่ยจริงๆมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนะตัวหลงนะตัวหลงและแต่กอนเนี่ยจะไม่ให้ตัวโกรธตัวเกลียดนี่มันเข้ามาเล่น ง, งานจิตใจว่ต้องต่อสู้กันนะต้องมีการยุยยุจิกระชากกัน อยู่ที่ว่าตัวไฟดีนี่มันจะมีกำลังพอที่จะสู้หรือพอที่จะกดขมผลักไสไอ้ตัวโกรธตัวเศร้าตัวเกลียดไหมแต่หลังเนี่ยพอรู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเหล่านี้นะไอ้ตัวไล่ๆอ่งี่ยจริงๆคือตัวหลงนั่นแหละตัวเดียวกันนั่นแหละและสิ่งที่จะรับมือนะกับไอ้ตัวหลงได้เนี่ยก็คือตัวรู้ตัวรู้นี่คืออะไรรู้สึกตัวนะแล้วรู้สึกตัวเนี่ยนะ มันไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปต่อสู้นะเหมือนกับที่เคยเข้าใจว่าไอ้ตัวดีตัวฝ่ายดีไปสู้กับตัวโกรธสู้จนเหนื่อยเพราะามันต้องกดข่มต้องอพยายามเอาชนะมันแต่พอมาปฏิบัตินะจลรสติมากๆเข้าใจรู้เลยนะพอตัวรู้หรือความสุขตัวเกิดขึ้นนะไอ้ตัวหลงมันก็หายไปเองนะและที่ ตัวรู้เนี่ยหรือความสุกตัวมันเกิดขึ้นได้เพราะมีสติเป็นสติที่เราลึกได้แต่ไม่ใช่เราลึกได้ในความหมายที่ว่าเราลึกได้ในข้อมูลข่าวสารคำแนะนำครูบาอาจารย์แต่มันลึกได้ากลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันซึ่งมันช่วยทำให้เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นตัวสภาวะ ไอตอนที่สติยังอ่อนนะมันก็ยังเห็นว่าเนี่ยมันความโกรธเป็นเรามันเป็นส่วนหนึ่งของเราความเศร้าเป็นเราเป็นส่วนหนึ่งของเรานะหรือบางทีเห็นเป็นตัวตัวตัวโกรธตัวเศร้าแต่พอมีสตินะนะที่เรียกว่าสัมมาสติเนี่ยที่มันมีกำลังพอเนี่ยมันจะเห็นเลยมันเป็นแค่สภาวะนะ แล้วมันก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยมันไม่ได้เป็นตัวเรามันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นแค่สภาวะที่มาแล้วก็ไปพอเห็นแบบนี้เข้าแนละ้วไอ้ตัวไอ้ตัวสภาวะเหล่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะมาครอบงำบังคับจิตของเราได้หรือทำให้จิตใจเป็นทุกข์แต่การที่จะเห็นสภาวะแบบนั้นเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อกำเขียนไว้ครัว่าจะเอเนี่ย แล้วเป็นการใจแบบรู้ซื่อเนะี่ยคือไม่ไปทําอะไรไม่ไปสู้รบตบมือกับมันเพียงแค่ดูมันเฉยๆหรือเห็นมันรู้เท่าทันนั้นอันนี้มันก็ต้องอย่างที่บอกนะต้องเกิดการปฏิบัติและการที่คนเราจะปฏิบัติเป็นอย่างสม่ําเสมอจนเป็นิสัยได้เนี่ยไม่ต้องใส่การมีสติในความหมายแรกมาคอยเตือนนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะหรือว่าทำอะไรทําด้วยความสึกตัวนะมันจะมี เราลึกได้ถึงคําสอนครูบาจารย์ที่บอกแบบเนี้บางทีมันเผลอไปกินข้าวก็เผลอลืมตัวบางทีอาบน้ําถูฟันก็ปล่อยใจไปตามอารมณ์สะหรับนึกขึ้นมาได้นะว่าเนี่ยทําอะไรก็ให้ทําด้วยความรู้สึกตัวนะอันนี้ครูบาจารย์สอนเอาไว้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะพอเราลึกขึ้นมาได้เงี้ยเราก็กลับมาอยู่ปัจจุบันกลับมาอยู่กับความรู้เนอรู้ตัว ตรงนี้การปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วโดยเพราะคนที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวันไม่ใช่เข้าคอร์สเนี่ยมันต้องอาศัยสติที่เป็นความระลึกได้ถึงคําสอนครูบาอาจารย์มาคอยเตือนหรือบางทีเป็ น, ปนคําระลึกได้ถึงความตั้งใจของเราเช่นเราตั้งใจว่าเนี่ยจะทําอะไรด้วยความสึกตัวให้ได้ทั้งวันแต่ว่ามันเผลอไปซึ่งก็เป็นธรรมดาเป็นนิสัยแต่พอระลึกได้ว่าเนี่ยเราตั้งใจจะทําแบบนี้นะ อ้าก็กลับมามีสติกลับมารู้เนรู้ตัวหรือกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวดังนั้นในการที่เราจะมีสมาถสติจนเห็นนะหรือจนจะเอะกับความคิดหรืออารมณ์ต่างๆพวกนี้ได้เนี่ยพู้ง่ายคือมีตาในเนี่ยที่จะเห็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเสียงเตือนนะเสียงเตือนเสียงย้ำอยู่ บ, บ่อยๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังบ่อยๆด้วยหรือการที่ตอกย้ำนะกับตัวเองอยู่เนืองๆมันก็ทําให้มีความระลึกได้ไวพอระลึกได้ไวมันก็เตือนให้เราอยูม่มันก็เตือนให้เราปฏิบัติได้เป็นเป็นนิสสม่ําเสมอและในที่สุดเนี่ยสัมมาสติก็แข็งแรงนะจกนกระทั่งจากเสียงเตือนก็กลายเป็นตาในที่มันเห็นความทิ่ละอารมณ์และช่วยรักษาใจนะให้ไกลาจาก การข้องามของอารมณ์เหล่านี้หรือช่วยรักษาใจให้ไกลจากความทุกข์ได้อชาญนยโพธิเนนะครับ